โครงการในวันนี้ก็คือโครงการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะคะและธรรมาภิบาลของข้าราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษานะคะจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าตอนที่จัดกิจกรรมเนยครั้งแรกเลยนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยเรามีแบบประเมินแล้วก็ให้ผู้ประเมินเนี่ยเสนอความคิดเห็นว่าอยากฟังออพระท่านใดพูดบ้างนะคะก็มีคนนำเสนอว่า อยากจะฟังท่านอาจารย์ประโมทประโมทโชจากส่วนสันติธรรมตัวเองก็นึกว่าเอ๊ะลองไม่รู้จักส่วนสันติธรรมทำยังไงนะเราถึงจะได้มีบุญที่จะได้นิมนต์ท่านท่านอท่านอาจารย์ประโมทมาก็พยายามเสาะแสวงหาอาจจะหาไม่ถูกจุดก็ยังไม่พบท่านนะคะจนเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านไปทอดกระถิ่นถ้าจำไม่ผิดนะคะที่วัดท่านอาจารย์ประโมทแล้วท่านก็ให้ นิมนต์ท่านอาจารย์ประโมทซึ่งเราก็มีล็อกในวันที่ยี่สิบสิงหาพอดีนะคะก็ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นบุญและเป็นกุศลที่หลายหคนได้ทําร่วมกันมานะคะเราก็เลยได้โอกาสนิมนต์ท่านพระอาจารย์ประโมทมานะคะก็เอทางญาติธรรมของหลวงพ่อนะคะฝากให้เรียนว่าในขณะที่ขอความเรตตาทุกท่านนะคะ ปิดโทรศัพท์หรือจะเปิดเป็นระบบสั่งก็ได้นะคะแล้วก็ในขณะที่ท่านเทศนะคะก็ขอความกรุณาอย่ถ่ายรูปโดยใช้แสตชนะคะถ้าอยากจะถ่ายก็ถ่ายซะ ก, ก่อนเลยนะคะแล้วพอหลวงพ่อเริ่มเทศปั๊บเราก็จะไม่ถ่ายนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ถ่ายเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวจะไปนิมนต์หลวงพ่อมาที่นี่เลยนะคะก็คิ่ว่าทุกคนคงพร้อมนะคะ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 นาโม ต, าตาัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทตาตัสสะพุทธังสะระณังขั ช, ชาติ พุทธังสรนางคชามิธรรมังสารนางคชาิมังสารนางชาิสังังสารนางคชามิสังขังสารนางคชามิดุติยามีพุทธังสารนางคชามิทุติยามีพุทธังสรนางคชาณิดุติยามีธรรมังสารนางคชามิทุติยามีธรรมังสรนางคชาิดุติยามีสร้างขังสารนางคชามิ ตติยามติส hm ังขังตระนานัชามิตาติยมีพ <contenido> ุทธังเสนานัจชามิตาติยามปีพุทธังตระนานัชามิตาติยมปีธรรมังเสนานัคชามิตาติยามีธรรมังตรนานัจชามิตาติยามปีสังขังสนานัคชามิติสนะขมันนังนิตตังอมภันเต ปนาติปาตาเวรัมณีส like ิกขาปะดังสมาธียามิปานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปะทางสมาธียามิอตินนาธานาเวรัมณีสิกขาปะทังสมาธียามิอตินาธานาเวรัมณีสิกขาปทางสมาธียามิ กาเมสุนิชชาจาราเวรมณีสิกขาประดังสมาธียานิกามสุนิชชาจาราเวรมณีสิกขาประทังสมาธียานิมูสาวาดาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธียานิมูซาวาทาเวรมณีสิกขาประดังสมาธียานิสุราเมรยามฉาปะมาทัานาเวรมณีสิกขาปะดังสมาธียานิ สุขะในระยะมัจาปมาณตานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาธิญาณิอิมานิปัญชาสิกขาปานิสีเลนะสุิยันติสีเลนะโพกสัมปาสีเนะนิพุติยันติตาสมาสีลังวิโสทะเยาธรมาชโลกาทิปติสามปติกตัญชลีอธิวรางอาญาจธาติทะสตาปราชกชาติกา เทเสตุธรรมังอนุกรรมติมังปะชงังเจริญสรพวกเราแากจบความจริงตอนนี้หลวงพ่อยังไม่ได้ออกรับนิมนต์แสดงทำที่ไหนนี้ท่านผู้ว่ารู้จักกันมาหลายสิบปีนะท่านประชาไปนิมนต์ทั้งที่เราอยู่ในพื้นที่นี้น <ะ S 1> ไม่เอื้อเฟ้อก็น่าเกลียดไปหน่อยก็เลยต้องมานะ ฟังธรรมต้องทำใจให้สบายนะอย่าเครียดาธรรมะเป็นเรื่องที่เมื่อได้รับฟังแล้วลงมือปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีความสุขนี่พวกเราหลายคนพอเริ่มภาวนายังไม่ทันจะภาวนาจริงจังก็เครียดซะก่อนแล้วย่างนี้นใช้ไม่ได้จริงการปฏิบัติธรรมจริงๆต้องไม่เครียดองนั้นทำใจให้สบายๆนั่งให้สบายนะนั่งขดัดสมาธิก็ได้นั่งไหนก็ได้จะนั่งอย่างหลวงพ่อคุณหลวงพ่อก็ไม่ว่านะ รู้ส <ç konk dogs> like ึกไหมพอหลวงพ่อบอกให้นั่งตามสบายเลยใจลุกหลีกลุกหลีดละรู้สึกไหมไม่ไม่ไม่ห้ามนะใจใจหลุกหลีอะไรก็ได้คอยรู้สึกเอาพวกเรามีบุญศาสนาเราเป็นชาวพุทธหลวงพ่อไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ยังลงในบัตรประชาชนในทะเบียนบ้านไม่ศาสนามีไหม นี่นะดังนั้นเรามีชาวพุทธเยอะเลยนะตามทะเบียนใน <No. S 1> ชาวพุทธแท้ๆเนี่ยต้องศึกษาธรรมะถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยเราก็เป็นชาวพุทธแต่อย่างนั้นเองเราไม่รู้จักบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าเรายังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราก็ไม่ใช่ชาวพุทธที่แท้จริงเป็นชาวพุทธไปตามทะเบียนบ้านเท่านั้นเองไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเราได้ศึกษาเบื้องต้นก็ศึกษาโดยการฟังทำอ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกอ่านตำรานะหรือได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์ส อ, น, อนนี่เรียกว่าศึกษาปริยัตศึกษาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้วิธีที่จะปฏิบัติชาวพุทธแท้ๆต้องศึกษาในถึงขั้นปฏิบัตินะศึกษาแต่ปริยัตก็ดีเหมือนกันแต่ยังไม่พอที่จะพ้นทุกข์ได้ การศึกษาในลำดับต่อไปก็คือการศึกษาในขั้นการปฏิบัติงั้นวัตถุประสงค์เรานะราก็ต้องเรียนจนรู้วิธีปฏิบัติการปฏิบัติธรรมนั้นมีสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าสมถกรรมฐานส่วนหนึ่งเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะมีมาก่อนพระพุทธเจ้าทำไปเพื่อให้ใจสงบเพื่อให้ใจสบาย ปฏิบัติแล้วก็สงบสบายจิตนิ่งนะส่วนวิปัสน า, ากรรมฐานมีแต่คําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนอกเหนือจากที่พระพุทธเจ้าเราสอนแล้วก็จะไม่มีคําสอนในเรื่องของวิปัสนากรรมฐานหลักสําคัญนะคําสอนสําคัญในทางศาสนาพุทธอยู่ที่ตัววิปัสสนานี่ยแหละเป็นคําสอนเฉพาะในศาสนาพุทธที่อื่นไม่มี งันวันนี้หลวงพ่อก็จะพูดถึงเรื่องสมถากับวิปัสสนาให้ฟังนะกําหนดเวลาไว้เยอะเลยเกินนะปกติหลวงพ่อเทศไม่นานหรอกนะงั้นต้องหาเรื่องยืย้อๆหน่อยสมถานะคื อ, คอว่ามีวัตถุประสงค์เราต้องรู้ว่าเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรต้องรู้ตรงนี้สมถานี้เราทําไปเพื่อให้ใจเราสงบให้ใจเราฟุ้งซ่านีกยให้มันสงบซนะพอใจเราสงบมันก็มีความสุข นี่หลักของการทําสมถะเนี่ยไม่ยากอะไรอันแรกเลยเลือกอารมณ์ขึ้นมาสักอันหนึ่งที่เป็นกุศลนะแล้วก็ใคอยมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์อนั้นรู้ก็อย่างสบายๆอารมณ์นั้นต้องเป็นกุศลอารมณ์เป็นอกุศลไม่ได้อย่างเด็กๆอะไยนี่น่าจะดูอินเทอร์เน็ตดูรูปโปะอะไรน้่บอกว่าจิตใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงแล้วไม่วกเว้าไปที่อื่เลยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะหรือที่เล่นไพ่อย่างเดียว จิตใจสงบอยู่กับการเล่นไพ่นะจดจ่อทั้งวันทั้งคืนนี้ใช้ไม่ได้นะอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมคิดถึงพระสงฆ์ในคิดถึงทานคิดถึงศีลอะไรของเราในหะ้คิดถึงบ่อยๆแนละ้วจิตใจจะสงบหรือคิดถึงลมหายใจหายใจออกหายใจเข้าคนไหนถนัดที่จะรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจไปให้จิตมาอยู่ในอารมณ์มันเดียวธรรมดาจิตของเราหน้าจะแหว่ง วิ่งไปจับอารมณ์น้นทีวิ่งไปจับอารมณ์นี้ทีนะวิ่งอยู่ตลอดวันตลอดคืนจิตไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยหยุดพักเลยจิตเราเร่ร่อนจรนจัดไปเรื่อยๆนวิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปอดีตวิ่งไปอนาคตวิ่งไปหาความสุขวิ่งหนีความทุกข์วุ่นวายอยู่นทั้งวันทั้งคืนจิตที่มันเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆนั้นไม่มีความสงบ ปฏิสีธรรมสมาธิก็คือมีอารมณ์อันเดียวมันล่อให้จิตมันอยู่ในที่เดียวแต่จิตมันอยู่ในอารมณ์ันเดียวนานๆไปนะมันก็สงบมันไม่ดิน้นกลัานไปใครจะใช้อารมณ์อะไรก็ได้นะที่เป็นกุศลอารมณ์ของสมถธิกรมรมฐานี่ไม่เลือกอะไรก็ได้อย่างที่หลวงพ่อว่าคิดถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์อะไรก็ได้ในสมัยพุทธกาลเคยมีพระองค์หนึ่งท่านบวชแล้วก็ไม่บรรลุมรรคผลนะไม่ได้อะไรเลย นี่วันท่านเสียใจมากแล้วก็ท่านเลยเชื้อดคอตายขณะที่เชื้อดคอนี่พวกเราไม่ต้องเอาอย่างนะนี่เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะไม่ต้องเรียนแบบนี่ท่านเชื้อดคอวันนั้นจิตท่านดีแล้วท่านรีบเชื้อเลยอยู่นานไปเดี๋ยวมันเสื่อมอีกนี่พอเชื้อแล้วท่านยังไม่ทันจะตายท่านก็นึกดูว่าบวชมาตั้งนานไม่ได้อะไรเลยน่าเสียใจเสร็จแล้วท่านมาพิจารณาว่าจริงๆท่านบวชมานะท่านถือสี่งเคร่งกรัด พระพุทธเจ้าห้ามอะไรนะท่านไม่ทําฝ่าฝืนคําสอนนั้นเลยถนะ้าท่านคิดว่าท่านเนี่ยถือศีลอย่างเคร่งคัดมาตั้งนานหลายปีจิตใจท่านมีความสุขขึ้นเลยแล้เราคิดถึงศีลที่เรารักษาไว้ดีแล้วนะเราก็มีความสุขแต่ถ้าเราไม่ได้รักษาศีลเราไปคิดว่าไปคิดถึงศีล น, นะเรายิ่งเล่าร้อนใจในะเราต้องรักษาไว้ก่อนหรือเราต้องคอยทากรรมฐานนะคอยรู้ว่าดมอะไรที่ดีๆอย่างนี้ยนะ ในพระองค์นี้ท่านคิดถึงศีลแล้วท่านมีความสุขบางคนก็คิดถึงธรรมะแล้วมีความสุขจิตใจสงบใช่ไหมแล้วจิตใจท่านสงบท่านตั้งมั่นขึ้นมาท่านมาทําวิปัพสนาต่อเลยองค์นี้แล้วท่านก็มาดูเลยร่างกายนี้กําลังจะตายจิตของท่านเป็นผู้รู้ผู้ดูมันแยกออกมาอยู่ต่างหากในสุดร่างกายก็ตายไปนะจิตของท่านบารรลุฆราหันไปนี่แค่ทํารักษาศีล น, นะคําอย่างอื่นไม่เป็นเลย รักษาศีลอย่างเชื่อมัวดรักษามาอย่างดีสะอาดหมดจดพอหนึกถึงแล้วอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาความอิ่มอกอิ่มใจความสุขที่เกิดขึ้นนั่นแหละทําให้เกิดสมาธิสมาธิเนี่ยไม่ได้เกิดลอยๆเหตุที่ทําให้สมาธิเกิดคือความสุขงั้นถ้าเมื่อไรเราอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขนะอารมณ์ที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะมีความสุขที่ประณี้ถ้าสุขวุ้ยวาวว้าดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนั้นไม่มีสมาธิที่ดี เราอยู่ในอารมณ์ที่ดีๆนะยังบางคนทําทานนะได้ไปช่วยเหลือนะทาสังคมสงเคราะห์ช่วยชาวบ้านยากจนอะไรเงี้ยนะเวลาเรานึกถึงขึ้นมาจิตใจเราอิ่มเอิบขึ้นมาจิตใจเราอิ่มเอิบมีความสุขขึ้นมาใจจะสงบนะนี่เคล็ดลับในการทําสมถะนะไม่ยากหรอกนะหาอารมณ์ที่จิตใจเรารึกถึงแล้วมีความสุขนะพอจิตใจเรามีความสุขจิตใจจะสงบจิตใจจะตั้งมั่นขึ้นมา นี่พอจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นแล้วเท่านี้ไม่พอนะเราต้องทําวิปัสนาต่อนิปัสนาไม่ได้ทําจิตให้สงบนวะิปัสนาไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุ่งเอาสุขมุ่งเอาสงบคําว่าวิปัสนาเนี่ยแปลว่าการเห็นอย่างวิเศษเลยนะเห็นอะไรขั้นแรกเลยต้องเห็นกายเห็นใจตัวเองนะเห็นอย่างไรเห็นว่าเป็นไกร ล, ลักษณ์เห็นว่ากายนี้มันไม่เที่ยงกายนี้มันถูกความทุกข์บีบคั้น กายนี้บังคับไม่ได้เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นว่าจิตมันไม่เพี่ยงจิตมันทํางานทั้งวันทั้งคืนเห็นว่าจิตเนี้มันถูกปัญหาถูกกิเลสบีบคั้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนเห็นว่าจิตนี้เป็นของบังคับไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวได้นี่การเห็นกายเห็นใจเป็นใจรักนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาเห็นเราได้อะไรอันแรกเลยก็ได้เห็นความจริงของกายของใจนี้ะพวกเรายังไม่เห็นความจริงของกายของใจ ถ้าเราเห็นความจริงของกายของใจได้นะก็เรียกว่าล้างอาวิชชาสําเร็จก็มีอวิชชาความไม่รู้อริยสัจนี่แหละคือความไม่รู้ทุกขนะ์ไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเราเลยยึดถือในกายในใจนี้ยึดถือว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอร่างกายนี้มันแก่มันเจ็บมันตายนะเราก็ทุรนทุรายขึ้นมาแต่ถ้าเราภาวนาไปเพียงพอเนะี่ยร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายมันไม่ทุรนทุรายนะ แก่ก็เร hmm? ื world, ers, ่องของกายมันแก่นะเราไม่ได้เดือดร้อนด้วยเจ็บก็เรื่องของร่างกายมันเจ็บเราไม่ได้เดือดร้อนด้วยตายก็เรื่องของร่างกายมันตายเราไม่ได้เดือดร้อนด้วยจิตใจก็เหมือนกันนะเราก็จะเห็นมันไม่เที่ยงมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมันบังคับไม่ได้เราจะสั่ง <Antarctica> จิตให้มีแต่ความสุขก็ทําไม่ได <xim lakes> <olina> ้นะห้ามจิตไม่ให้ทุกข์ก็ทําไม่ได้สั่งจิตให้เป็นกุศลอย่างเดียวก็ไม่ได้นะสั่งไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงอะไรก็ทําไม่ได้แล้วบังคับมันไม่ได้ เนื้อถ้าเห็นความจริงนะก็จะไม่ยึดถือมันก็ไม่ยึดถือกายเราก็ไม่ทุกข์เพราะกายถ้าไม่ยึดถือจิตเราก็ไม่ทุกข์เพราะจิตคนเราทุกข์ขึ้นมาได้เพราะยึดถืออย่างเรามีรถสักคันนะเราก็ยึดว่ามี่รถของเรารถเรามีรอยขีดข่วนหน่อยเพราะกล้มใจนะเนื้อเรารักอะไรนะเรายึดถืออะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นเลยนี่เรารักอะไรเรายึดถืออะไรมากที่สุดเรารักกายรักใจมากที่สุดเนี่ย ถามว่าระหว่างรักตัวเองกับรักคนอื่นนะเรารักตัวเองมากที่สุดแล้วเรามาเรียนรู้สิ่งที่เรารักที่สุดนี้แหละนะรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจรู้ไปเรื่อยๆรู้บ่อยๆรู้จนวันหนึ่งเห็นความจริงเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษไม่ใช่ของน่ารักหรอกมีแต่ทุกข์ล้วนๆนวันใดเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆนวันใดเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆนะก็ปล่อยวางความยึดถือใจยึดถือใจเป็นพระอราหันต์พระอราหันต์ไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนะ พระอรหันต์คือท่านผู้รู้ความจริงของกายของใจแล้วว่ามันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆแล้ท่านไม่ยึดถือมันพอท่านไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจท่านก็ไม่ทุกข์เพราะกายไม่ทุกข์เพราะใจถ้าไม่ทุกข์เพราะกายไม่ทุกข์เพราะใจแล้วจะไปทุกข์เพราะอะไรได้อีกไม่มีแล้วอย่างเราทุกข์เพราะสิ่งอื่นเพราะคนอื่นเนี่ยเพราะมันเป็นของเราเอย่างลูกเราเจเลยใช่ไหมมันลูกเราเจเลยนะเรากระทุกนะลูกคนอื่นเจเลยเราก็ไม่ทุกข์เท่าไหร่บ้านเราไฟไหม้เราทุกข์ใช่บ้านคนอื่นไฟไหม้เราไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ อันไหนเป็นของเรานะแล้วก็เรายึดถือมากนะนันก็นําความทุกข์มาให้มากเนี่ยทําไมเราไปยึดถือเราไปคิดว่ามันเป็นของดีของวิเศษวิปัสสนาเนี่ยจะมาทําให้เราเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษนะวิธีทํทำวิปัสสนาเนี่ยมันมีเครื่องมืออยู่สองตัวตามทันไหมเนี่ยสล็อกไปยัง <c oughs> อ้าหลวงพ่อให้ผ่อนคลายเล็กน้อยหลวงพ่อจะฉันน้ํา พวกเราตั้งใจเรียนนิดหนึ่งนงนะธรรมะที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงๆนะัไม่ค่อยได้ฟังกันหรอกโอกาสที่จะได้ฟังธรรมะซึ่งจะมีประโยชน์กับชีวิตจริงๆนี่น้อยเหลือเกินเราได้ยินแต่ธรรมะทั่วๆไปนะว่าอย่าทำอย่างโน้นให้ทำอย่างนี้ให้ละชั่วให้ทำดีถือศีลทำทานธรรมะเหล่านั้นดีเหมือนกันแต่ไม่ได้ช่วยให้เราคนทุกข์ที่แท้จริงหรอก สัมมาที่จะทําให้เราพ้นทุกข์อย่างแท้จริงนะคือเรื่องที่หลวงพ่อจะพูดให้ฟังต่อไปนี้แหละคือเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่าไปกลัวมันบางคนได้ยินชื่อวิปัสสนาก็ไข้ขึ้นเลยรู้สึกท่าจะยากไม่ยากหรอกนะคนที่เรียนจากหลวงพ่อนะมีเป็นพันพันหมื่นหมื่นตอนนี้คนที่จิตตื่นขึ้นมานะรู้กายรู้ใจได้นับไม่ถูก น, ะนับไม่ถ้วนคนที่ได้ฟังธรรมไปช่วงหนึ่งเนะ มาสารภาพมาบอกให้หลวงพ่อฟังอยู่แทบทุกวันนะว่าชีวิตจิตใจนี่เปลี่ยนไปหมดเลยจากคนที่มีความทุกข์มากๆากนะเหลือทุกข์น้อยๆยเคยทุกข์นานนาก็ทุกข์สั้นลงไปเสร็จแล้วแต่ละคนนีจะรู้สึกเลยว่าอัศจรรย์เหลือเกินในคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้รู้ได้เข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้ดําเนินตามเนี่ยความทุกข์มันจะเด็นหายออกไปจากจิตใจของเราอย่างรวดเร็ว ได้ศึกษาธรรมะแท้ๆ ท, ที่ผู้เช่าสอนแล้วนะความทุกข์จะหายไปอย่างรวดเร็วมากเลยไม่ใช่ว่าทําดีไปเรื่อยๆนะแล้วชาติหน้าถึงจะมีความสุขไม่ใช่ปฏิบัติวันนี้ทําถูกต้องเดี๋ยวนี้มีความสุขเดี๋ยวนี้เลยงั้นอยู่ที่ว่าเราได้ศึกษาเราได้เข้าใจพอไหมถ้าศึกษาถูกต้องนะเข้าใจถูกต้องลงมือปฏิบัติได้ถูกต้องเราจะมีความสุขเดี๋ยวนี้เลยตัวเองรู้สึกได้ รู้สึกได้ด้วยตนเองจิตใจซึ่งเคยเครียดเครียดไม่หายเครียดนะเคยทุกข์มากมกก็ทุกข์นิดๆหน่อยๆแวบๆเท่านะั้นเองเคยทุกข์นานๆก็อยู่ประเดียวประดาวนะี่พวกเราอดทนนิดหนึ่งนะในการฟังธรรมะธรรมะอย่างนี้ไม่ค่อยได้ฟังหรอกนะไม่ค่อยมีใครสอนกันหรอกที่ไม่สอนเพราะว่าไม่ค่อยมีใครอยากเรียนยากไป ถ้าให้จ่ายเงินซื้อมรกผลธิพานน้าคงยอมทําง่ายกว่านะกว่า ก, กระเป๋าจ่ายง่ายกว่าวันนี้ได้ใส่บาทแล้วมีความสุขแล้วถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่ไม่พ้นทุกหลบนิธรรม ท, ทานถือศีลเรื่องดีทั้งนั้นควรทำํำนะแต่ว่าต้องเรียนนะจนเราสามารถเจริญวิปัสสนาได้การเจริญวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่เรื่องยากเยไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนเลย เครื่องมือที่เราจะใช้นมีอยู่สองตัวเอตัวหนึ่งชื่อว่าสติตัวหนึ่งชื่อว่าปัญญาถ้ามีสติมีปัญญาเนี่ยทำนิพพานาได้สติแปลว่าความระลึกได้นะตัวนี้เขาจะยากนิดหนึ่งนะสติพวกเราชอบว่าใช่หไหมว่าคนนั้นขาดสติคนนี้ขาดสติเคยได้ยินไหมเราเราเคยว่าคนอื่นไหมว่าขาดสติจริงๆเราก็ขาดสติคนในโลกนี้ไม่มีสติหรอก นับตัวได้เลยที่มีสตินอกกนั้นมีสติธรรมดาธรรมดามสติที่อยู่กับโลกถามว่าเป็นกุศลไหมสติที่อยู่กับโลกก็เป็นกุศล น, นะจะเป็นสติธรรมดาไม่มีคุณภาพที่จะทำจิตใจให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์ได้หรอกสติที่แท้จริงแปลว่าความระลึกได้พวกเราหลายคนชอบปฏิบัติแล้วไปแปลสติว่ากาหนดสติไม่ได้แปลว่าการกาหนดสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้ถึงอะไร ถ้าหากเป็นสติปัฏฐานสติธรรมดาเนี่ยมันจะระลึกระลึกถึงอารมณ์ที่เป็นกุศลแต่ถ้าเป็นสติปัฏฐานนะจะระลึกถึงกายระลึกถึงใจของตัวเองดังนั้นถ้าเราระลึกถึงกายระลึกถึงใจไว้ปันหนึ่งนี้เราจะพ้นทุกอย่างแท้จริงนะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าการเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้น ถ้าไม่ได้เจริญสติปัฏฐานเนี่ยไม่มีทางที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีทางที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงการเจริญสติปัฏฐานนั้นมีสติรู้กายรู้ใจนะสติที่เราลึกรู้กายเราลึกรู้ใจนี่สติเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นเองถ้าเราสั่งให้สติเกิดได้นะสติก็เป็นอัตตาในความจริงแล้วสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งให้สติเกิดขึ้นได้ พวกเราในนี้ไม่มีใครสั่งได้หลวงพ่อก็สั่งสติให้เกิดไม่ได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในี้เป็นอนัตตาหมายถึงว่าบังคับมันไม่ได้ต่อเมื่อมันมีเหตุนะมันถึงจะเกิดถ้ามันไม่มีเหตุมันไม่เกิดนั้นเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติเหตุที่จะทําให้เกิดสติคือการที่จิตจําสภาวธรรมได้แม่นอย่างเราจะมีสติรู้ว่าคนนี้มาหาเรานผู้ว่ามาอะไรอย่างเงี้ยหรือภรรยาผู้ว่ามา เราจะจําอย่างนี้ได้เราจะรู้ะระลึกอย่างนี้ได้เราต้องรู้จักเขาซะก่อนเราจ ะ, ะระลึกได้ว่าความโกรธมาแล้วความโลภความหลงเข้ามาในใจเราแล้ ว, ลวเราต้องรู้จักความโกรธความโลภความหลงอะไรเหล่านี้ซะก่อนเพราะฉะนั้นการที่เราหัดจําสภาวะนะหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆวันหนึ่งสติที่แท้ จ, จริงจะเกิดขึ้นฟังแล้วยากนะเดี๋ยววันนี้หลวงพอ่อมีซีดีมาให้ด้วยมีหนังสือมาแจกนะไม่ขายนะแจกเอาไปฟังนะแล้วก็ ให้โอกาสกับชีวิตของตัวเองบ้างหมก ม, มุ่นอยู่กับโลกมานานแล้วนะจมกับความทุกขุมานานแล้วลองดูบ้างนะลองฟังสิ่งที่หลวงพ่อพูดฟังแล้วฟังอีกฟังไปสักช่วงหนึ่งเถอะให้ฟรีนะเราไปฟังดูถ้าฟังแล้วฟังอีกสักช่วงหนึ่งนะสติที่แท้ จ, จริงจะเกิดขึ้นมาพระจิตเราจะรู้จักสภาวะนี่นเราหัดรู้จักไปนะความโกรธเกิดขึ้นในใจเราเคยรู้ความโลภเกิดขึ้นในใจรู้ใจลอยไปเคยรู้รู้จักใจลอยไหม สั่งนี้มีใครรู้จักใจลอยเปล่าในความเป็นจริงแล้วเราใจลอยทั้งวันจิตเรหนีไปคิดทั้งวันแต่เราไม่เคยรู้หลงไปยังไงไงเราก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะยกเว้นรู้ตัวเองไม่เป็นรู้จักคนอื่นรู้จักอะไรต่ออะไรแย่แยๆเลยแต่ไม่รู้จักตัวเองทดสอบง่ายๆตอนเราทานข้าวตืนข้าวหนุ่มแถวที่สองเนี่ย เวลากินข้าวเนี่ยหายใจเข้าหรือหายใจออกกันกลืนอาหารนึกออกไหมเอาสิกินข้าวครั้งแรกเมื่อไหร่เวลากินข้าวหายใจเข้าไปลองดูนะวันนี้สำบลักตายเลยเวลาพูดอ่ะเราขยับขากันไกลบนหรือขาข้าไกลล่างหรือสองอัน ตอบไม่ได้เยอะแล้วออาทดลองกันใหญ่แงบแงบเงบกันใหญ่ในเรื่องง่ายๆเห็นไหมเรื่องตื้นตื้นของตัวเองไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเรื่องของตัวเองไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นนะรู้เรื่องคนอื่นเยอะนะเรื่องของตัวเองไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นกระทั่งร่างกายเนี่ยมันเคลื่อนไหวยังไงเปลี่ยนแปลงไงไม่รู้ไม่เห็นอย่างหลวงพ่อนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยถ้าหลวงพ่อจะลุกขึ้นหลวงพ่อจะขยับร่างกายส่วนในก่อน ขยับขาห ร, หรือหรือขยับอะไรอืมขยับมือแปลกไหมลูกลจะเจอลูวจะขยับมือนะต้องขยับมืออ่ะในเรื่องง่ายๆนะในร่างกายเร า, เราไม่เคยรู้หรอกแล้วเราต้องศึกษานะต้องค่อยๆสังเกตสังเกตอยู่ที่กายของเราสังเกตอยู่ที่ใจของเรากายที่ใจนี้เป็นของที่เรารักมากที่สุดนะเรารักกายรักใจตัวเองมากที่สุดเลยแต่เราลาเลยมากที่สุดไม่เคยสนใจมเลยนะ โดยสภาพจิตใจนะอย่าว่าแต่ร่างกายดูง่ายยังไม่เห็นเลยจิตใจดูยากที่ยิ่งไม่เห็นใหญ่ะเราเห็นว่าคนอื่นโกรธเห็นว่าคนอื่นอารมณ์ไม่ดีเราเคยรู้สึกไหมว่าเรกากําลังโกรธอยู่ในขณะที่เรากําลังชี้หน้าด่าใครสักคนว่าเธอนิสัย ไ, ไม่ดีอย่างนั้นอย่างเนี้ยรู้สึกไหมเคยเห็นไหมว่ากิเลสกําลังครอบงาใจเราอยู่นี่เราไม่เห็นนะสิ่งเหล่านี้ดงนั้นต่อไปนี้เราต้องคอยสังเกตคอยสังเกตนะร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึก ถ้าร่างกายเคลื่อนไหวเราคอรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอรู้สึกไม่นานนะสติจะเกิดเองหลวงพ่อตอนเป็นคารวะนะมีวันหนึ่งหักขยับตัวอย่างหลวงพ่อเจียนขยับไม้ขยับมือขยับขยับนะขยับไปแล้วก็วันหนึ่งไปเจอเพื่อนเพื่อนมันเดินอยู่คนละฝั่งถนนกันพอเราเห็นเพื่อนเดินอยู่ฝั่งโน้นเราดีใจดีใจไม่เห็นว่าดีใจแนะั ขยับเท้าไปจะไปคุยกับเพื่อนจะข้ามถนนไปพอเท้าเคลื่อนไหวแนละ้วสติเรารขึ้นได้ว่าเมื่อกี้กําลังเสืออยู่เมื่อกี้กําลังเสืออยู่เนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเองต่อเมื่อเราทําเหตุพอสมควรแล้วคือเราหัดคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆนะอย่าลืมตัวเองนะรู้จักลืมตัวเองไหมสังเกตไหมวันๆหนึงเราใจลอยเยอะรู้สึกไหมใจลอยวันละกี่ครั้งตับได้ไหม ซินี้หลวงพ่อไม่ถามว่าถามซิกนี้รู้สึกไหมใจลอยวันละกี่ครั้งหลวงพ่อตอบให้ใจลอยวันละครั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับแต่นะพวกนี้ใจลอยวันหนะึ่งร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเมนี้เคยสึกเจริญสตนะิเนี่ยไอ้หนุ่มนะรู้สึกไหมไปมองเขาใจวิ่งไปอยู่กับเขาแล้วเนะี่ยใจเราวิ่งไปใจเราลอยไปแล้วลืมตัวเราเองตลอดเวลานละ้ว เ, เราคยรู้สึกนะ ร่างกายเคลื่อนไหวคอรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอรู้สึกแล้วสติจะเกิดเองเพราะสติเกิดแล้วต่อไปเราเจริญปัญญาปัญญาเนี่ยคือการเห็นความจริงของกายของใจเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของใจของใจกายกับใจนั้นมันเป็นไตรลักษณ์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดแต่งไตรลักษณ์ขึ้นมาไตรลักษณ์มีอยู่แล้วไตรลักษณ์เป็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราคอยรู้สึกใจรู้สึกใจด้วยสติเนี่ยรู้สึกใจแล้วใจเราตั้งมั่นนะแต่เราตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูขึ้นมา เราจะเห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจเคลื่อนไหวได้นะลองทดลองดูในนี้มีอะไรให้ดูบ้างอา้าวลองดูมณฑป น, นี้ลองดูสิยอดมดฑเนี้รูปร่างเหมือนอะไรสังเกตไหมตอนนี้ใจเราไปอยู่ที่มนดบนั้นรู้สึกไหมใจเราอยู่ที่โน้นเห็นไหมเราลืมตัวเราเองนึกออกหรือยัง นะขณะที่เราจ้องไปที่มณดลนั้นนะนะเราลืมกายลืมใจของเราร่างกายนั่งอยู่นี้เราไม่รู้สึกนะจิตใจเราเป็นยังไงจิตใจเราวิ่งไปอยู่ที่นูน่นเราก็ไม่รู้สึกเมื่อไหร่ไม่รู้สึกกายเมื่อไหรไม่รู้สึกใจนี่แหลเรียกว่าขาดสติละนะตอนนี้รู้สึกไหมจิตติดคิดละฟังหลวงพ่อพูดแล้วก็หนีติดคิดรู้สึกไหมไม่ได้ฟังอย่างเดียวแต่ฟังกับคิดเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆทุกคนเป็นอย่างนั้น่ะ ตั้งแต่เด็กๆ เ, เราฟังพ่อแม่สั่งสอนนะเราก็ฟังไปคิดไปเราเรียนหนังสือฟังอาจารย์เลคเชอร์นะเราก็ฟังไปคิดไปเราเคยรู้ไหมเราฟังไปคิดไปเราไม่ค่อยรู้นะนะ่าลองสังเกตดูเดี๋ยวใจก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวใจก็วิ่งไปคิดคอยดูใจของเราไว้ถ้าเมื่อไร่ลืมกายเมื่อไร่ลืมใจมันเรื่ขาดสติเมื่อไร่รู้สึกกายเมื่อไร่รู้สึกใจนะเราจะเห็นกายนี้ใจนี้นะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ร่างกายก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยนั่งเดี๋ยวนอนจิตใจก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนี่คอยรู้อย่างนี้นะรู้ซ้ําแล้วซ้าอีกลงไปถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงกายนี่ก็ทําหน้าที่ของร่างกายไปไม่ใช่ตัวเรามันเป็็นนนนนนน่วัตตุเเเปป้อาหมืย์ง จิตใจก็ทำหน้าที่ของมันเองนะเราบังคับมันไม่ได้อย่างใจเราจะสุขหรือทุกข์สั่งไม่ได้ใจเราจะดีหรือชั่วสั่งมันไม่ได้นะคอยตามรู้ตามตัวอย่างนี้นะวันหนึ่งจะปิ้งขึ้นมาด้วนะทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีวันใดที่เห็นว่าตัวเราไม่มีนะวันนั้นเราจะเป็นพระโสดาบันนะหลังจากนั้นก็คอยรู้กา ย, ยรู้ใจเรื่อยๆไปเนสะกระทั่งหมดความยึดถือมันไป ตรงที่จะหมดความยึดถือกายยึดถือใจเนี่ยเราต้องเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนล้วใจนี้เป็นทุกข์ล้วนล้วนถึงจะหมดความยึดถือได้พวกเรารู้สึกไหมร่างกายเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างมีใครรู้สึกว่าร่างกายเป็นทุกข์ล้วนล้วนไหมลองนึกออกไหมเรารู้สึกไหมร่างกายเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าเราย่งไม่เห็นแจ้งอริยสัจถ้าเราเห็นแจ้งอริยสัจนะเราจะรู้ร่างกายนี้เป็นทุกข์ล้วนล้วน จิตใจก็เหมือนกันนะเรารู้สึกไหมจิตใจเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์รู้สึกไหมเนี่ยเพราะเรายังไม่เห็นแจ้งอริยสัจถ์ถ้าเราเห็นความจริงอย่างแจมแจ้งนะจะรู้ว่าจิตใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไหร่เห็นว่ามันเป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อนั้นจะไม่ยึดถือแล้วจะหมดความยึดถือนจะพ้นทุกข์กันตรงนั้นแหละจะหมดความยึดถือแต่ถ้ายังเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างก็ยังยึดอยู่อีกปล่อยวางไม่ได้เนี่ยเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรื่อยนะวันหนึ่งจะเห็นความจริงนี้แต่ทุกข์ ถ้าเห็นทุกเมื่อไรก็เห็นทำเมื่นั้นแหละใครฝึกเอานะมันนี้ทนแค่นี้พอละเทียนมากเกือบปวดหัวใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญมีไหมเป็นข้าราช ก, การกันหรื อ, รอว่าไม่ใช่เลียนกันมาทุกคนอยู่ถูกบังคับมาหรือเปล่าจะรับเชิญนะวัดหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เชิญเลยต้าถามพวกนี้ดูต้องแย่งงนิน แต่ละวันแต่ละวันเราต้องแย่งแย่งกันนะบาคนไปตั้งแต่มืดประตูยังไม่เปิดเลยแย่งกันไปเรียนทําไมเขาต้องแย่งกันไปเรียนเพราะว่าเมื่อได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงก็มีความสุขนะเขาเห็นได้ที่วัดหลวงพ่อนะไปกับเป็นครอบครัวสหมั้งพี่แรกไปคนเดียวก่อนพอไปคนเดียวไปศึกษาปฏิบัติธรรมนะสังเกตกายสังเกตใจไปเรื่อย มีสติขึ้นมามีใจตั้งมั่นเรีนสัมมาสมาธิมีปัญญาเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจขึ้ชีวิตมีความสุขเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคนรอบๆตัวคนในบ้านรู้สึกบางบ้านนะสงสัยเลยภรรยามาหาพระวัดนี้มาหาหลวงพ่อประโมนะทแล้วทําไมมันเปลี่ยนแปลงบางคนตามมาดูนะนึกว่าหลวงพ่อสะกดจิตทําไมนี่ใส่ใจคอมันเปลี่ยนเคยร้ายนะมันก็ไม่ร้ายแล้วเดี๋ยวนี้เคยปากมากมันก็ปากน้อย นิสัยใจคอดีเปลี่ยนนั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะเปลี่ยนเราได้เปลี่ยนพฤติกรรมเราได้เลยทําไมพฤติกรรมเปลี่ยนเพราะใจเราเปลี่ยนใจซึ่งเคยถูกกิเลสตัณหาครอบงําอยูอนะยย่เพราะขาดสติเนีมันสูญสลายไปพอเรามีสติขึ้นมากิเลสตัณหาทั้งหลายมันสลายตัวไปใจเราเป็นอิสระโปรงร่องเบาขึ้นมาใจเป็นใจที่มีบุญมีกุศลพอจิตใจของเราเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายทางวาจามันก็เปลี่ยนไปนด้วย อพอพฤติกรรมทางกายทางวาจาเปลี่ยนใคนแรกที่รู้สึกนะคือตัวเองใจซึ่งเคยทุกข์ก็หายไปใจที่เคยเครียดเครียดก็หายไปนะมีความสุขมีความสบายเกิดอะไรขึ้นก็มีความสุขอยู่นั่นแหละนะมีบางคนนะลูกไม่สบายร้องไห้นะั่งไปเกาะเตียงอยู่ร้องไห้เกาะอยู่โรงพยาบาลลูกใกล้จะตายร้องไปร้องไปนะสติปัญญามันเกิดถันปิ้งขึ้นมาเห็นเลยไอ้เด็กที่นอนอยู่ในเตียงเนี่ยเป็นแค่วัดสูงเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง ในิจใจมันรู้สึกนะนี่เป็นแค่ก้อนธาตเท่านั้นความเศร้าโศกเสียใจนะ่ะหายเป็นตรีศีลเลยนะแล้วค่อยฝึกนะค่อยฝนะึกไปเรื่อยๆแล้วชีวิตมันดีขึ้นเองเพราะชีวิตของเราความรู้สึกนึกคิดของเราเปลี่ยนแปลงนะคนรับรับตัวเข้าสนใจนะตามมาดูที่วัดหลวงพ่อเนี่ยเยอะมากเลยบางคนมาถามมาสังเกตนะมาฟังจะมาจับผิดหลวงพ่อก็เยอะนะมาดูมันทํำยังไงว่าพระองค์นี้เมียเราทําไมมันดูดีขึ้น สาวขึ้นสวยขึ้นนะมีมีคนเคยไปให้สัมภาษณ์หนังสือแอลแล้วทำไงาทงาไงสวยชีวิตมีความสุขนะมีอยู่รายหนึ่งบอกว่า ส, สวยขึ้นมานะเพราะซีดีหลวงพ่อประโมท c ีดนะีหลวงพ่อประโมทเอาไปฟังนะแล้วจะสวยนะเอาไปฟังหนะ้าไม่ใช่เอาไปผสมครีมทานหน้านะ <c oughs> อย่างนั้นไม่สวยหรอกเกลียวยิ่งกว่าเก่า ที่ทำมาน่ยศึกษาแล้วจะมีความสุขค่อยๆศึกษาไปอ่ะขออย่างอ้าว่าไงเชิญเกี่ยวกับการดูจิตเกี่ยวกับการดูราคะของตัวเราเองนะครับหลังจากที่ผมไปฏิบัติทำแล้วไม่ทราบว่ากับผมมีอะไรที่จะต้องแก้คุณรู้สึกไมหมจิตใจของคุณไม่เหมือนเดิมรู้สึกรั บ, รรบรู้สึกไม้ม ใ, ใจมันโปร่งโล่งเบากว่าแต่ก่อนครับมผม ถึงไม่มันผงใสตัดกุศเ น, นี่ยเรามีสติขึ้นมาในะจิตมันเป็นกุศลขึ้นมาจิต ท, ที่เป็นกุศลนะมันอ่อนโยนมันนุ่มนวลมันเบามันสบายมีความสุขอยู่ในตัวเองคุณเห็นไหมราคะไม่ใช่จิตตรวนี้ดูออกอยังพอจะทัดพอจะจับแนวทางนะาา่ะเห็นไหมโทสะ ก, ก็ไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนะั้นผ่านมาแล้วก็ผ่านไฟมองเห็นไหม อยางราคะมันจะมาหไม่ห้ามมันไม่ได้พอเรารู้ทันนะมันก็ค่อยๆหายไปเนี่ยฝึกไปอย่างนี้นะในที่สุดเกียรปัญญามันจะเกิดขึ้นี่ก็เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาฝึกไปเรื่อยๆนะที่ฝึกอยู่นะดีแล้วนะต้องฝึกไปให้มันพอครั บ, รบขออบคุณครับหลวงพ่อครับอา้าวใครจะคุยเชิญไม่เหมือนที่วัดหลวงพ่อนะยั่งกันอุตรดลเลย ยแ่งกันจนกระทั่งฟังธรรมะไม่รู้เรื่องนะโกรธแ้นกันชอบเพื่อนส่งกันบ้านดีๆก็ อ, อิจฉากันนะ <c oughs> ้าวาดไปนำ้ำตารค่ะหลวงพ่อหนูเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อที่สาลาลุงทีเมื่อเมื่อปีใหม่เมื่อปีที่แล้วค่ะแล้วก็หลวงพ่อส่งหลวงพ่อตอกว่าเอาเวลาเมื่อสมาธิแล้วจิตมันว่างหลวงพ่อก็บอกว่าให้ก็รู้ความว่างมันไปหลังจากนั้นหนูก็ ดูอะไรบางทีมันก็ดูมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะบางทีสองเดือนมันก็ผิดอีกละแล้วเดี๋ยวอีกเดือนอีกอาทิตย์หนึ่งมันก็ผิดอย่างใหม่อีกละมันก็ผิดผิดมาตลอดอย่างเนี้ค่ะปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องกลัวผิดเพราะยังไงก็ผิดถ้าไม่ผิดก็บรรลุบัพพลในตอนนั้นแหละอย่ากลัวนะค่ะเรียนรู้สิ่งที่ผิดแล้วมันถูกเองค่ะเมื่อไหร่ไม่ผิดเมื่อนั้นถูกเลยพอเรารู้ทันสภาวะ ดรุงแต่งที่หลอกลวงเรานะาเรารู้สภาวะอันนี้แล้วมันก็หลอกเราไม่ได้กิเลสมันก็สร้างสภาวะใหม่ๆให้มันหลอกเราอีกเราก็ต้องคอยรู้ทันไปด้วยในสุดไม่มีอะไรหลอกใครได้ง่ายจริงง่ายนะไม่ยากอะไรหรอกสลงพ่อไปเรียนจากหนวงปู่ดูลย์เมื่อปีสองห้าเอาเล่าพวงสวัาดนหน่อยก็ได้พวกนี้ไม่รู้จักหลวงพ่อตันเด็กๆเจ็เดขวบ พ่อพาไปวัดอโศการามไป ห, หาท่านพ่อหลีวัดอโการามก็ไปเรียนท่านพ่อหลีท่านสอนอนาฬิกานับสติสอนให้หายใจใหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งพุทโทนับสองนับไปเรื่อยถึงสิบแล้วก็ลดลงมานับเก้าแปดเจ็ดหกห้าเราเด็กๆนะั้นนับเลขไม่ชนานาญรู้สึกลําบากจังแล้วก็นับใหม่นับหนึ่งถึงร้อยเลยตอนนี้รู้สึกดีว่านับถอยขึ้นถอ ย, ถอ ย, ถอยลงอย่างเด็กเล็กๆ นั่นทำสมถะอยู่ได้แต่ความสงบนะไม่ใช่ว่าท่านพ่อรีไม่ดีนะท่านเป็นพระที่ดีที่วิเศษที่สุดองค์หนึ่งเลยแต่ว่าหลวงพ่อเด็กเกินไปตอนไปเรียนกับท่านน่ะเรียนมาได้บทเดียวได้แต่สมถะยังขึ้นวิปัสนาไม่เป็นไม่ใช่ว่าท่านทําไม่เป็นนะท่านเก่งเรายัางเด็กเราเรียนได้นิดเดียวนิดอยู่มาสองสามปีท่านสิ้นไปแล้วไม่มีครูบาอาจารย์สอนต่อหลวงพ่อก็ทําแต่อนาคานสติหายใจได้แต่หายใจไปกระจายก็สงบทุกวันทุกวันฝึกไปอย่างนั้นเอง จนปี25นะเดือนกุมภา25หนึ่งได้ไปกราบหลวงปู่ดูลได้ยินปิติศักดิ์ ท, ท่านมาก่อนหน้านัานะ้นแล้วแต่ไม่รู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนเสร็จ แ, แล้วขึ้นไปหาท่านที่สุรินท่านก็สอนให้ดูจิตตัวเองท่านสอนนิดเดียวนะไปถึงไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากจะปฏิบัติหลวงปู่ดูลนะท่านนั่งหลับตาไปเกือบชั่วโมงนะนั่งครึ่งชั่วโมงกว่าตับตาเงียบตอนนะี้หลวงปู่แก่แล้วนะนั่งเตือนๆหลวงปู่หลับไปแล้วมั้ง แล้วก็รอเมื่อถ่ายท่านเจตเทศท่านก็ไม่พูดนะหลับต า, านานพอท่านลืมตาขึ้นมาท่านสอนนะการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไป น, นี้อ่านจิตตนเองในท่านสอนหลวงพ่อแค่นี้แหละหลวงพ่อก็กลับมานะอ่านจิตตนเองเลยตั้งแต่วันนั้นมาจิตของเราเป็นสุขเราก็รู้จิตมันเป็นทุกข์ก็รู้จิตมันโลภโกรวหลงเราก็รู้จิตมันเป็นกุศลเราก็รู้ค่อยตามดูมันไปเรื่อย ความรู้ความเข้าใจในธรรมะ ม, มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะความทุกข์มันก็ลดลงลดลงไปเรื่อยๆ เ, เป็นปฏิภาคกลับกันกับความเข้าใจนั้นพอเราศึกษาไปเรื่อยนะจากนั้นหลวงพ่อก็เที่ยวตะเวนกราบครูบาอาจารยนะ์ส่วนมากสายวัดป่าไปหาหลวงปู่เทสหาหลวงปู่สิมหาอาจารย์มหาบัวอะไรนะี่หลายองค์ไปเรียนกับท่านไปเรื่อยๆ สิ่งที่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์สอนก็เหมือนกันทั้งมันก็ต้องมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจนี่แหละอาจารย์หาบวัวเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันแะสอนเท่านี้บางองค์ท่านก็บอกให้ดูจิตบอกมีเท่านี้แหละดูไปเลยค่อยๆรู้ค่อยๆดูนะจิตใจเราก็พ้นทุกข์ไปเรื่อยๆมีความสุขมากขึ้นมากขึ้น หลวงพ่อกับท่านผู้ว่าเนี่ยรุ่นเดียวกันในรักษาจุฬาหลวงพ่อมีความสุขกว่าท่านเยอะเลยนะด <c oughs> <c oughs> ูท่านแต่ละวันเห น, น, นื่อยส่วนหลวงพ่อมีความสุขพวกเราค่อยๆฝึกนะเราจะได้ริมรสความสุขในธรรมะดูบ้างความสุขอย่างโลกโลกที่พวกเรารู้จักหลวงพ่อรู้จักดีเลยมากกว่าหลวงพ่อจะได้บวชนะอายุตั้งสี่สิบแปดภาวนามาแต่ดเด็กทําไมบวชเอาเยอะอายุสี่สิบแปด เพราะว่าต้องดูแลพ่อแม่อยู่เราลูกคนเดียวต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อยู่นะพ่อแม่แม่ตายไปแล้วพ่ อ, อยังอยู่ชวนพ่อมาอยู่วัดนะพ่อยอมมาอยู่วัดถึงได้บวชได้ทำหน้าที่ของเราในเพศฆราวาสนั่นแหละตอนเป็นฆราวาสก็ทำงานนะทำเก่งนะไม่ขี้เกียจดอกขยันไม่ใช่เอาว่าเป็นนักปฏิบัติแล้วขี้เกียจทำงานไม่ได้นะนั้นกิเลสนะขี้เกียจ ที่ได้อยู่สภาความมั่นคงแต่อมาลาออกไปอยู่วงการโทรศัพท์อะไรเงี้ยทํางานก็จเจริญรุ่งเรืองนแต่เสร็จแล้วเราก็พบว่าในโลกมันไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นมีอะไรที่เป็นแก่นสารสาระเลยอย่างแย่งชิงอํานาจแย่งชิงอะไรกันมานะถึงจุดหนึ่งก็สูญเสียไปหมดเลยอย่างเป็นผู้ว่งผู้ว่าเป็นประลัดกระทรวงนะไม่นานก็กเกษียณ จะเสียแล้วถ้ามีคุณงามความดีคนเขาก็ยังนึกถึงถ้ามีแต่ความร้ายคนเขาก็แช่งเรารู้สึกในโลกมันของหลอกๆ ก, กันเัวโขนทั้งนั้นนี่เราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมมาเรารู้เลยแกนส า, สารสาระจริงๆของชีวิตอยู่ตรงนี้ความสุขในโลกที่พวกเรารู้จักหลวงพ่อรู้จักดีก็อยู่แต่โลกมานานเทียบกับความสุขในธรรมมาเเทียบกันไม่ได้หรอก ความสุขในธรรมะไม่ได้มีอะไรยากนะรู้สึกตัวบ่อยๆเลยอย่าใจลอยนานคนในโลกนี้ใจลอยพอใจลอยนะก็ไปคิดถึงอดีตบ้างไปคิดถึงอนาคตบ้างคิดไปแล้วเกิดความสุขบ้างคิดไปแล้วเกิดความทุกข์บ้างคิดไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดโลภเดี๋ยวเกิดโกรธเดี๋ยวเกิดหลงบ้างคิดไปแล้วกิเลสก็ตามหลังมาอีกพอเราหลงไปอดีตหลงไปอนาคตเราทิ้งปัจจุบันไปเราลองเปลี่ยนนะมาคอยรู้สึกกายรู้สึกใจอยู่ในปัจจุบันนะ พระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่าถ้าไม่หลงไปในอดีตไม่ลงไปในในอนาคตมีสติรู้อยู่ในปัจจุบันไม่ยึดถือไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจอยู่ในปัจจุบันนี่แหละมีความสุขที่สุดเลยเลําพังไม่หลงไปในอดีตไม่ลงไปในในอนาคตนะก็มีความสุขมากแล้วพวกเราสังเกตไหมความทุกข์ทั้งหลายในใจเราเนี่ยส่วนมากหลงไปคิดในอดีตในอนาคตออกถ้าเรารู้กายรู้ใจอยู่กับปัจจุบันนะความทุกข์เหลือนิดเดียว แต่ถ้าจะให้พ้นทุกข์จริงๆนะไม่หลงไปอดีตไม่หลงไปในอนาคตนะแล้วก็ไม่ยึดถืออยู่ในปัจจุบันถ้าทำได้สามข้อนี้นะก็จะพ้นทุกข์แล้วยึดถืออะไรในปัจจุบันยึดถือกายยึดถือใจนี้ยึดหลงไปในอดีตหลงไปในอนาคตห ล, ลงไปในเรื่องราวที่คิดอดีตในอนาคตไม่มีของจริงนะเป็นแค่เรื่องราวที่คิดเท่านั้นเองนั้นการที่เราหลงไปอดีตหลงไปในอนาคตแล้วมีความทุกข์ขึ้นมา ก็หลงไปอยู่ในความคิดเรารู้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมายึดกายยึดใจอยู่จะทุกข์เพรากายเพราใจที่เป็นปัจจุบันเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ยึดถือใจไม่ยึดถือใจนี่เราก็จะไม่ทุกข์อยู่ในปัจจุบัน้นนอดีตก็ไม่ทุกข์อนาคตก็ไม่ทุกข์นะปัจจุบันก็ไม่ทุกข์ที่สุดของความทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คนคนหนึ่งจะทําได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นธรรมะที่พอดีพอดีสําหรับมนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะทําได้ดะงั้นเราอย่าเซ็ง ตุ้มใจนะว่ายากเหลือเกินเอาซีดีลงเข้าไปฟังนะอดทนฟังเข้าบางคนนะเปิดซีดีไว้แพอขึ้นรถก็เปิดเลยนะเปิดไปหวังว่าวันหนึ่งจะเข้าใจฟังแล้วก็เพี้ยนจังเลยฟังไม่รู้เรื่องนะปรากฏว่าลูกๆอะ่ะไม่ได้เจตนาจะฟังนะเด็กมันภาวนาเป็นนี่เยอะมากเลยนะเด็กภาวนาเป็นพ่อขับรถอยู่นะพ่อหงุดหงิดขึ้นมาลูกมันบอกได้พ่อโกรธ น, นะ เนี่ยเด็กมารู้จิตพ่อเหมือนกะันนะหรือพ่อหลงไปแล้ะเนี่ยไปที่วัดหลงพ่อสินะเราไปฟังเด็กๆส่งกันบ้านน่าฟังกว่าผู้ใหญ่ส่งนะผู้ใหญ่บางทีไปแต่งขึ้นมาบาควรแต่งหน้าวัดข้าวัดอยู่แล้วเพิ่งแต่งจะส่งอะไรดีเผื่อหลวงพ่อถามหรืออ้าว่าไปมีอีกไหมหลงพ่อครแล้วหนูต้องปรับปรุงอะไรมากไหมคะจะต้องปรับอะไรล่ะแล้วคอยรู้ทันกิเลส ต่างๆในใจเรานะค่ะถ <tr> ้าเราคอยรู้ทันกิเลสในใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยศีลก็จะเกิดขึ้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นปัญญาก็จะเกิดขึ้นถ้าเราถูกกิเลสครอบงําอยู่ศีลเราก็ไม่มีสมาธิเราก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีถ้าเรามีสติคอยรู้ทันใจเราไปเรื่อยๆกิเลสมันจะทําให้เราผิดศีลอย่างราคะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ไปชอบไปโน่นชอบไปนี้ไปอยากได้ของคนอื่นไปรักไปขโมยอะไรนี่มันอยากได้ ถ้าเรามีสติเราก็เห็นความอยากได้มันหายไปหรือความโกรธมันเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันเนี่ไหมเราก็ไม่ได้ด่าไม่ไปตีใครสีมันก็เกิดเองแหละหรือว่าพอเรามีสีนะจิตใจเราก็มีสติอยู่มีสติอยู่นะกิเลสใด้เกิดขึ้นในใจเรารู้ทันกิเลส ท, ที่เรียกว่านิมนตนะ์เกิดขึ้นพอกิเลสเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันนะกิเลสก็ดับไปจิตใจเราก็สงบใช่พอมีสติก็มีสมาธิ มีสติก็มีสีมีสติก็มีสมาธิมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆกนะ็เห็นความจริงของกายของใจเกิดปัญญางั้นสีสมาธิปัญญาเราได้มาเพราะมีสตินี่แหละสติสําคัญนะสติสําคัญคนในโลกนี้ขาดสติะลืมตัวทั้งวันใจลอยทั้งวันรู้สึกมไหมใจลอยกันเป็นแถวๆแล้วหีไิคิดเวลาใจลอยไม่มีอะไรหรอกหนีไปคิดคิดแต่อดีตคิดไปอนาคตคิดไปโน้นไปนี่ ลืมปัจจุบันปัจจุบันนั่งอยู่ในห้องนี้ลืมไปแล้วมีใครนึกออกหรือยังว่าใจเราหนีออกนอกห้องไปบ่อยๆนึกออกไหมหนีแวบแวบแวบหลงไปอยู่ในโลกของความคิดหนีไปอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ตามหลังมาแะ้วหลวงพ่อคะขอคําถามสุดท้ายค่ะเวลาเรารู้ตัวเนี่ยมันจะเกิดอาการเหมือนกับแับสิ่งที่ถูกบีบมันจะคลายออกใช่ไหมะ ในความเป็นจริงนะร่างกายจิตใจเราเนี้ยถูกบีบคั้นตลอดเวลาอย่างเรานั่งอยู่นี้เราก็เมื่อยเร่างกายถูกเวทนาบีบคั้นตลอดเวลาจิตนี่ถูกตัญหาบีบคั้นตลอดถูกความอยากบีบคั้นนึกออกไหมทุกครั้งที่มีความอยากนั้นจะมีแรงเค้นเจะเกิดการบีบคั้นทันทีที่รู้ทันแล้วก็คลายออกถ้ารู้ไม่ทันก็กลับเข้ามาเข้ามายึดมาถือไว้ก็ทุกเลยพอรู้ทันก็คลายออกก็ไม่ทุกเมื่ได้ฝึกไปเรื่อยนะจนจิตมันฉลาดแล้วมันจะไม่ยึดอีก อมันไม่ยึดนะไม่ยึดในกายไม่ยึดในใจปัญหาจะไม่เกิดขึ้นอีกความอยากจะไม่มีพอความอยากไม่มีแรงเคล้นจะไม่มีจิตใจก็เป็นอิสระคือว่าต้องสารภาพคือปกติหนูอยู่ต่างประเทศนะคะหลวงพ่อแล้วตอนหลังๆเนีหนูเห็นแลนดีดแลงคลายมันมันไม่ผีพอมาอยู่เพิ่งกลับมาอยู่ที่เมืองไทยสักสองวันนะคะมันดีดคลายดีดคลายจนปวดหัวมากมเลยรู้เล่นๆนี่าไปบังคับมันนะอย่ารู้แบบ เอาจริงเอาจังอยากให้มันไม่บีบถ้าอยากให้มันไม่บีบก็คือมีความอยากเกิดมันยังไงก็ทุกข์นั่นเราเห็นเลยเห็นไหมมันบีบเองมันคลายเองดูออกไหมมันทํางานได้เองดูอย่างนี้หลายวันหนึ่งก็ปัญญาเกิดมันไม่ใช่ตัวเราจิตนี้มันทํางานของมันได้เองเอาใครจะถามเชิญโอกาสที่จะถามหลวงพ่อยากนะ้แย่งกันมากเลยนะพอดีหนู ได้ยินนะคะจากญาติธรรมที่ที่ไปฟังธรรมอยู่อยู่ที่วัดของหลวงพ่อนะคะทีนี้หนูก็เลยปิดตามมาฟังธรรมที่นี่นะคะหนูปฏิบัติสายปฏิปัฏฐานสี่นะคะแ ต, แต่ได้ยินชื่อเสียงของท่านอาจารย์นานแล้วะคะ่ะก็เลยอยากมาฟังธรรมนะคะทีนี้อยากจะเรียนถามนะคะ เวลาปฏิบัติมีอยู่ครั้งนึ่งนะคะเคยเคยมีอาการที่ว่าคือเห็นอะไรก็ทุกไปหมดเลยนะคะแล้วมันมีความเบื่อหน่ายมากๆนะคะแล้วก็คือไม่อยากทําอะไรคือคือไม่อยากจะอยู่แล้วนะคะคือถ้าความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนะให้รู้ทันลงไปความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นก็เหมือนแก่กิเลส ต, ตัวอื่นๆนั่นแหละเหมือนความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ผ่านไป ให้ดูลงไปงั้นนี้ดูเหมือนอย่างที่เห็นกิเลสอย่างอื่นๆนั่นแหละคือถ้าเมื่อไรเราภาวนาถูกต้องนะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจเรื่อยๆไปไปถึงช่วงหนึ่งจิตมันจะเบื่อมันเบื่ออะไรมันเบื่อกองทุกข์นั่นเองมันเบื่อในกายในใจนี่มีแต่ทุกข์ล้วนๆพอมันเบื่ออย่างนี้ให้เรารู้ทันลงไปนีกนะสังเกตไหมพอเบื่อแล้วแทนที่เราจะปล่อยวางนะเรากลักบไปยุ่งกับมันเราอยากให้มันหายเบื่อไปแทรกแงซงจิตซก นั้นถ้าจิตเบื่อให้รู้ว่าเบื่อดูเหมือนดูคนอื่นเบื่อไม่ใช่เราเบื่อจะใครรู้ทันไปเรื่อยๆ้วพระพุทธเจ้าท่านสอ น, นบอกถ้ารู้ตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดคือคลายความยึดถือเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นพาหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วต้องทําไปอีกนะต้องก็ใจให้ดีต้องไปส่งการบ้านที่วัดหลวงพ่อนั้นจะเป็นอีกเวอร์ชั่นนึง <c oughs> นี่ก็มาถ่ายทอดด้วยเลยต้องพูดเรียบร้อยหน่อยใครรู้สึกนะรู้สึกนี่ไหมนี่ไหมพวกนี้ไม่ต้องแล้วพวกนี้ยหน้าซ้ำซ้ำาการรับการหลวงพ่อครัอย่างเวลาเราปฏิ บ, บัติในรูปแบบนะครับเราก็ตามรู้ตามดูนะครแล้วก็บางทีเท่าจิตมันไม่ตั้งมั่นเงี้ยเราเราเห็นแต่ว่าจิตไม่ตั้งมั่นเงี้ย เราจะมีวิธีทำไงหรือต้องช่วยช่วยให้เขาตั้งมั่นคือถ้ามีสติรู้ว่าจิตไม่ตั้งมัน่นด้วยความเป็นกลางนะมันจะตั้งมั่นเองจิตดวงที่ไม่ตั้งมั่นจะดับไปจะเกิดจิตดวงที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนออืให้รู้อย่างเดียวใช่ไหม <c oughs> ให้รู้ลูกเดียวนะแต่ถ้ามันไม่ตั้งเลยหลายวันแล้ววุ่นวายฟุ้งซ่านทําความสงบเข้ามาทําสมถ ะ, ม แ, ละแล้วอย่างที่ปฏิบัติอยู่นี่ ต้องแก้ไขอะไรบังคับเยอะไปหน่อยบังคับเยอะต้องปล่อยนะทําให้ผ่อนคลายสบายแต่ที่คุณฝึอยู่ใช้ได้แล้วดีขึ้นเยอะแล้วก็ให้ผ่อนคลายใช่ไหครับแต่ผ่อนคลายไม่ได้แต่ว่าขี้เกียจนะครับผ่อนคลายหมายถึงว่าร่างกายเป็นยังไงก็รู้จิตใจเป็นยังไงก็รู้ไม่ไปแทรกแซงไม่ไปบังคับพวกเราเวลาภาวนานะเรารักดีเกลียดชั่วรักสุขเกลียดทุกข์มากเกินไป อย่างพอใจเรามีกิเลสนะเราก็ไม่อยากให้มีไปต่อสู้กับมันพยายามฝืนอย่านั้นไม่ได้ให้รู้อย่างที่มันเป็นให้รู้อย่างเดียวใช่ไหครับ้<ล>รู้รูปเดียวเลยแล้วก็กระจกที่รู้ใช่ไหมครับเออนะพูดง่ายนะทํายากทายากยากมาก <laughs> นะคําว่ารู้สักว่ารู้อะไรเนี่ยยากเพราะเรารู้แล้วเราอดแทรกแซงไม่ได้เนะี่ยความยากของการปฏิบัติพิพิธสนานะน่นแรกเลยเราไม่รู้เลยคือเราลืมกายลืมใจ อันที่สองพอเรารู้กายรู้ใจแล้วนะเราชอบรู้แบบไปจ้องไปเพ่งไปจ้องไว้นะหรือว่าพอรู้แล้วเราก็แทรกแสงเห็นกิเลสก็หาทางละเห็นกุศลก็อยากรักษาเห็นความสุขก็อยากได้เห็นความทุกข์ก็อยากกลับอย่างนี้เนื้อใจเราไม่เป็นกลางพรอใจไม่เป็นกลางใจจะดดิน้นทันทีที่ใจดิน้นความทุกข์จะเกิดขึ้นบขอบคุณนได้ จะมาถะอย่างเดียวยังไม่ได้ตัดศสนาเลยค่ะมันอยู่ที่ใจถึงถึงนะเราต้องกล้าพอที่จะปล่อยปล่อยให้ใจเคลื่อนไหวไปแล้วตามดูปล่อยให้ใจเคลื่อนไหวแล้วตามดูของโยมเนี้ยมันกลัวมากไปกลัวไม่ดีไปจับมันมากไปแต่ละวันเห็นกิเลสเกิดบ่อยไหมบ่อยค่ะบ่อยก็ดีแล้วเห็นไหมกิเลสมันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปอ่าแล้วทาไมบอกว่าทานี้ศาสนาไม่ได้ คิดว่าวิปัสนาเป็นอะไรนั่งสมาธิแค่เพียงจะนิ่งๆอย่างเดียวเหล่าเราฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนี่ให้เยอะนะอย่างเราเห็นหน้าคนนี้เราเกลียดเห็นคนนี้เราชอบนะเรารู้ทันใจเราเรืนะ่อยๆเราก็เห็นเลยทุกสิ่งทุกอย่างในใจยในใจเรานะผ่านมาเราก็ผ่านไปาการที่เห็นอย่างนั้นแหละเห็นไตรักของกายของใจนั่นแหละเรียกว่าวิปัสนาแต่ก็ไม่ค่อยมีความทุกข์นีแต่ความสุข อะไรนะไม่ค่อยมความทุกข์ละค่ะไม่แต่ความสุขทุกวันไม่จําเป็นว่าต้องทุกข์นะปฏิบัติอะหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อมีแต่ความสุขเยอะเลยแต่เราเห็นทุกข์เราเห็นว่ากายมันทุกข์เราเห็นว่าจิตเป็นทุกข์นะแต่เราไม่ทุกข์อะเราค่อยๆฝึกไปนะเพราะว่ากายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเราแล้วใครจะทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นี่ปฏิบัติยิ่งเห็นทุกข์มันก็ยิ่งมีความสุขเป็นเรื่องแปลกนะอ๋อยิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขแต่ของโยมมันเิินนไปดึง ออ่มันไม่ใช่เห็นทุกข์หรอกมันเพลินเลินเลยแต่ละวันมันเพลินเลิมีความสุขแล้วเพลินเลินให้รู้ทันตรงที่ใจชอบความสุขหให้รู้ทันลงไปในใจมันชอบนะแต่เรารู้ทันใจที่ชอบความสุขแล้วนะความชอบดับไปความสุขก็แสดงใรลรักขึ้นมาอืมีก็มีไม่มีก็ไม่มีเรื่องของมันอืจะเห็นอย่างนั้นแล้วก็นั่งสมาธิอิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆไ่มคะนั่งให้หลวงพ่อดูได้เลย อ๋อไม่เอาไม่เอาวันนี้เราห้ามไปนั่งให้ดูที่วัดเอามีใครเมื่อกี้เห็นยกมือหยิบข้างหลังจำในมรดกการหลวงพ่อค่ะที่ที่หนูปฏิบัติอยู่ตอนนี้ถูกต้องหรือถูกต้องนะครับมาทำอะไรต่อไปไม่ต้องนะทำสม่ำเสมอทำสม่นเสมอนะเจ้าค่ะพี่สื่ยใช้ได้เห็นไหมกิเลสอะไรผ่านมาเราก็รู้ทันดูออกไหม เห็นไหมว่าความทุก <parece> ข <hatten> ์ม <oily kita> ันลดลงลดลงตัวไหมค่ะเขาเบาเขาสบายมันเบาเขาสบายเห็นไ้มใจมันโปร่งขึ้นเรื่อยๆรื่อเจค่ะเห็นไหมใจมันว่องไวเจ้ค่ะนี่เราดูของเราไปอย่างนี้สามน้ำพระพารขอบปกินยกเลิง่ายตายแบบขอเลีนถามหลวงพ่อหนึ่งพ่อหนึ่งหลวงพ่อหนึ่ว่าจะเลิกงนี้เป็นโกรอตก เคยกำหนดจิตก่อนนอนแล้วนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยมันพอตื่นขึ้นมาแล้วเคลียเนี่ยมันมันไม่มิทราว่าปฏิบัติถูกต้องไหครับคือถ้ามีสติจริงๆนะมันเหมือนเหมือนไม่ค่อยนอนแต่ไม่เคลียอย่างร่างกายเราเวลาเราหลับนะร่างกายมันนอนหลับเนี่ยมันพลิกซ้ายพลิกขวาสติรู้เองมันรู้ตลอดคืนเห็นร่างกายมันนอนอยู่เห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอกหรือจิตมันไปฝันที่เรียกว่าฝันฝันนั่นความจริงจิตมันคิดนั่นแหละ สติมันก็เห็นเองนะจิตไปคิดก็รู้เองนะมันร่างกายมันนอนหลับอย่างเราสั่งร่างกายให้พลิกไปพลิกมาเนี่ยสั่งไม่ได้แต่ร่างกายมันหลับจริงๆนะแต่จิตมันตื่นเอจิตมันตื่นนั้นเราฝึกสกติให้มากๆนะเหมือนเราตื่นอยู่ทั้งวันทั้งคืนมีความสุขนะไม่ใช่ตื่นแล้วเหยวเฉาถ้านเมื่อไหร่จะเป็นผู้รู้ก็เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบาน ถ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็เฉาเฉาไม่ใช่ของจริงนะดันั้นใจเหี่ยวใจเฉานะยังไม่ใช่ของจริงหรอกจิตใจที่รู้ตื่นจะมีความสุขไม่เห็นแต่ร้อนเลยเนี่ยมันไม่นอนเหรอเราก็คอยรู้มันไปถือว่าเป็นบุญของเรานะเราได้เจริญสติทั้งวันทั้งคืนโคตรนี้ดีนะเนี่ยให้ได้นะภาวนาไป มีสติแล้วก็ใครดูเอาแบบนับประกาหลวงพ่อค่ะอยากให้อธิบายเวลานาดีทองเวลาจะตายอะค่ะทำไมยังไม่ตายก็เรียนก่อนสิน <c oughs> ไม่เคยอ่านหนังสือแล้วแบบนาดีทองเวลาจะตายอะค่ะมันอยู่ที่ว่าเราต้องฝึกก่อนตายต้องฝึกอย่างเดียวใช่ไหมให้มีสติ <c oughs> ชำนาญเลยนะให้ใจตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูแล้วเวลาจะตายเราก็มีสติ นอนดูร่างกายมันตายไปจิตใจไม่กระสับกระสายเรีย<ม>กว่าตายอย่างตายอย่างที่ที่ไม่ต้องไปฝึกนะนว่าตอนจะตายจะทำยังไงฝึกตอนอยังเป็นๆ <laughs> มันเหมือนอย่างเราจะมาหัดว่ายน้านะต้องหัดตั้งแต่ก่อนจะตกน้ำตกน้ำใกล้ต า, ตายแล้วมาหัดไม่ได้นะเพราะนเราต้องหัดตั้งแต่หัดธรรมดานี่เลยในชีวิตธร<อ>รมด า, านี้ฝึกไป ฝึกเจริญสติให้มากนะแล้วเวลาจะตายเนี่ยมันอัตโนมัติเองมีคนมาเล่าส่งกันบ้านหลวงพอ่อเยอะแยะไป น, น, นั่นก็คนหนึ่งรถไปหมุนไปหมุนมาใช่ไหมขับอีท่าไหนรถหมุนไปหมุนมาสติเกิดนะสติเกิดรู้สึกตลอดเลยมูแ่แยกตกใจตายแง่แง่รอบนี้ใช่ไหมพอรู้ทันทุกความตกใจหายรู้ตัวหมดเลยอันนี้รถจะหมุนยังไงรู้หมดรู้แล้วไม่ตายละ รู้ว่าไม่ตายชักดีใจก็รู้อีกเลยนี่รู้ถียิบขึ้นมาเองเป็นเองนะฝึกไว้เถอะมีบางคนนะเสพลดพลิกไปพลิกมาสติมันเกิดหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยบางคนเจ็บมากๆนอนดูไปด้วยจิตใจร่าเริงเบิกบานเห็นร่างกายมันจะตายอะมันแยกกันเัรนฝึกตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้นะยังแข็งแรงอยู่นรีบฝึก อย่างถ้าแกงมากๆหรือว่าเจ็บหนักๆแล้วยังมาถามหลวงพ่อเลยนะว่าจะทำยังไงดีมีญาติหลวงพ่อคนหนึ่งนะบอกให้ปฏิบัติแต่ไม่ยอมทำพอเข้าห้องไอซียูไปถามว่าจะภาวนายัางไงไม่ทันละไม่ทันละต้องฝึกตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่อยู่เราร้งคู่พัฒนาอค่ะโอ้ไปถามสภาพัฒ ไม่มีอะไรต่างรายงานเลยนะคะก็ใครดูตัวเองสิเห็นไหมเราเผลอนานหรือเผลอสั้นเผลอสั้นขึ้นนะคะเอเผลอสั้นขึ้นเรื่อยๆนะ่งมึงก็แสดงว่าพัฒนาขึ้นรล้สติเกิดบ่อยอ่ะ ทำผิดศีลได้บ่อยขึ้นไหมเวลาจะทําผิดศีลละอายใจบ้างไหมละอายใจเห็นไหมเราพัฒนาขึ้นแต่ก่อนเราทําผิดศีลเราไม่ละอายเนี่ยถ้าเราทําผิดศีลเราก็ละอายใจเห็นไหมทีนี้เราพัฒนาขึ้นแต่เดิมเราไม่เคยมีสติเลยไม่เคยรู้ทันตัวเองเลยตอนนี้เรารู้ได้บ่อยขึ้นนี่ก็พัฒนาขึ้นความทุกข์เคยอยู่นานๆก็สั้นลงสั้นลงเนี่ยมันก็พัฒนาขึ้นค่อยเปลีปลงเลยรู้สึกว่า มันมันอึดอัดนะคะมันซึมมากไปไปกดเอาไว้ต้องปล่อยวันนั้นมันมันทุกตลอดเลยใจมันเข้าไปคลุกกับอารมณ์มันไม่ยอมแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมันเข้าไปกระโดดเข้าไปคลุกอยู่ในอารมณ์ค่อยๆสังเกตนะจิตก็ส่วนหนึ่งอารมณ์ก็ส่วนหนึ่งค่อยๆสังเกตไปเมื่อกี้เห็นด้านไม่ยกมือย่างยทนี้ อ๋อทางด้วยเราก่อนแนละ้วเนี่ยวัดหลวงพ่อจะอย่างเนี้ยแยกแล้วไม่มีปล่อยอะ่ะเอาว่าไปเรื่องัฒการค่ะหลวงพ่อที่ฉันมาใหม่นะคะแล้วก็เออยากปฏิบัติแล้วพยายามที่จะลองด้วยตัวเองเพราะไม่มีโอกาสรู้สึกว่ายากจังเลยเนี่ยรู้สึกไหมตอนเล่าให้หลวงพ่อฟังเนี่ยใจมันเริ่มข้ามครวนแล้วเนี่ย <c oughs> ให้รู้ทันเราเลยนะรู้ทันตัวเองเล่าก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมขํามครวนก็ส่วนหนึ่ง เ่ยรู้ทันจิตของตนเองแต่การที่เราคอยรู้ทันกายรู้ทันใจนะั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติการที่คอยบังคับกายบังคับใจไม่เรียกว่าปฏิบัติเรียกว่าทรมานใจทรมานใจเั้นอย่าลืมหลักนะมีสติรู้กายรู้ใจตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงรู้ลงปัจจุบันไปได้ๆหลักเท่านี้แหละพอแล้ ว, ลวรู้<ห>จ<า>กักใจลอยหรือยังรู้จักใจลอยไหมไม่น่าใครแล้วเมื่อกี้อยากพูดเห็นไหม ใจมันอยากพูดเนี่ยเราก็รู้ทนันมันอยากพูดเราก็รู้ทันมันเนี่ยรู้จักใจลอยอยังอ่ะคิดว่าค่ะเราเวลาขยายที่จะนั่งนี่รู้สึกบางครั้งเบื่อตัวเองเพราะว่าไม่เข้าใจว่าดูจิตเป็นยังไงแล้วพยายามจะตามมันลงพามมันยิ่งไปเลยไม่ไ ม, ไม่ต้องคิดมากนะเวลาคนเขา ด, าดนะ่าโกรธไหมโกรธค่ะโกรธรู้ว่ากโกรธนั่นแหละเรียกว่าดูจิตนะคนเขาชมแล้วใจเราพองเคยเป็นไหมมีใครชมบ้างไหม เยอะเลยนะบางคนเขาชมใจเราพองใช่ไหมเรารู้ว่าพองอแต่คนนี้ชมเรารู้ว่าแกล้งชมมันจะชดเราเลยนะคําคําพูดอย่างเดียวกันเลยนะคําชมเนี้ยในใจเราเดือดปุดปวดนะนี่ยเราคอยรู้ทันใจของเราอย่างนี้แหละเรียกว่าดูจิตง่ายจะตายไปใครว่าดูจิตไม่เป็นนะลองถามเด็กๆดูหลวงพ่อให้เด็กมันส่งกันบ้านด้วยถามเด็กว่าโกรธรู้จักโกรธไหมก็รู้จักนะรู้จักโลภไหมรู้จัก รู้สึกไหมแต่ละวันรักแม่ไม่เท่ากันเด็กยังรู้เลยเราถามแม่เหมือนกันนะว่าแต่ละวันรักลูกไม่เท่ากันรู้สึกไหมรู้สึกไหมไม่เท่ากันหรอกอ้าวไปถึงไหนแล้วนิมิตการค่ะหลวงพ่อคือหลวงพ่อบอกว่าให้ให้รู้ว่าโกรธรู้ว่าอะไรพอรู้แล้วทํายังไงต่ออะคะนั่นแหละหาเรื่องทําได้ไหมเฉ <laughs> ลิงพ่อบอกว่าให้รู้ลูกเดียว รู้อย่างเดียวใช่ไหมลองดูซิความกลัวนี้จะเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูแค่นี้แหละ<ฆ>ดูซิเธอจะกลัวได้นานสักเท่าไหร่ดูเฉยๆนะยายอยากให้มันหายดูเฉยๆดูว่ามันจะกลัวนานสักเท่าไหร่ค่ะแล้วหลวงพ่อคะเวลาทํำยังไงถึงจะไม่กลัวเวลานั่งสมาธิกลางคืนนะคะไม่ได้หรอกจิตมันจะกลัวห้ามมันไม่ได้แล้ ว, ลวเพราฉะนั้นเวลามันกลัวขึ้นมาให้รู้ทันว่ากําลังกลัวอยู่ดูซิความกลัวเธอจะอยู่นานสักแค่ไหน ดูไปเฉยๆอย่าไปไล่มันเห็นไหมสองคำถามล้ว น, นแต่เป็นเรื่องจะอยากแก้ทั้งนั้นเห็นไหมโ<ม>กรธแล้วทําไงจะไม่โกรธกลัวแล้วทํายังไงจะไม่กลวักล ว, ลลว<ม>นิพพสนาจะไม่ใช่การแก้แนิพพสนาจะดูความจริงโกรธรู้ว่าโกรธกลัวรู้ว่ากลัวจะเห็นทั้งความโกรธเห็นทั้งความกลวัวนั้นมันไม่เที่ยงเวลาเวลาหนูหนั่งหนูไม่เคยสําเร็จเลยะคะ่ะเพราะว่าบางครั้งมันจะเมื่อยจะปวดสอนําเร็จ<ม><ม>อะไรอน หมายถึงว่าเพื่อนเขารู้สึกว่าเขารู้สึกสบายแล้วเขามีความสุขเนี้ยค่ะไอ้นั่นต้องนั่งทาสมาธอแต่ถ้าเราจะทำํำนิสนานะปวดเราเห็นในร่างกายมันปวดนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งความปวดอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจเป็นคนรู้คนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งเห็นนิสิตเขาต้องนั่งเป็น<อ>นะไม่ใช่นั่งเพื่อไม่ให้ปวดนะอยากหายปวดก็ไปกินยาสิไปบล็อกไขสันหลังนี่มีหมอฟังเข็มมาเห็นแบบ ให้ครับดรอกให้ก็ไม่ปวดแล้วสองข้อค้าเป็นหยกค้างเลยค่ะหนูเคยเจอด้วยตัวเองหนูนั่งรถแล้วหนูอ่านหนังสือก็อ่านหนังสือจบเนี่ยหนูมีความสุขแล้วหนูมองไปนอกหน้าต่างรถเน่ยหนูมีความรู้สึกว่าโลกข้างนอกเปนสีทองเออแล้วใจหนูต่อ น, นั้นนะเอาภัยให้คนได้ทั้งโลกเลย ม, มันคืออะไรคะโลกจิตของเราเป็นยังไงเราก็เห็นโลกเป็นอย่างนั้นนะวันไหนจิตเราผ่องใสโลกถ้าโลกก็ผ่องใส วันไหนจิตเราเศร้าหมองนะโลกก็เศร้าหมองวันไหนจิตเราไม่ยึดถืออะไรเลยนั้นก็มีความสุขไปอีกอย่างจิตเป็นยังไงนะมันก็รู้อารมณ์ได้ระดับนั้นแหละจิตปรุงแต่งก็รู้อารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตที่พ้นความปรุงแต่งก็รู้สิ่งซึ่งไม่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจิตจิตเรามีความสุขนะโลกก็ดูมีความสุขจิตเราทุกโลกก็ดูทุกจริงจริงจิตเราสร้างมันขึ้นมาโลกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละ นี่ข้างหน้าเขายกมืออยู่กลั บ, บ ม, มาสการพระอาจารย์ค่ะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียรีนะคะก็อยากจะเรียนกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าอย่างสมมติว่าเราทำงานเนี่ยเรามีสมาธิในการทำงานแล้วงานเราสำเร็จนั่น น, น, นั่นคือสติเกิดหรือเปล่าคะามีสตินะแต่เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐาน อางสติปัญญาต้องรู้กายรู้ใจอะนนั้นมีสติธรรมดาสมาธิอันนั้นก็เป็นสมาธิธรรมดาไม่ใช่สัมมาสมาธิมีความจดจ่ออยู่กับงานเพราะฉะนั้นมันมีสองส่วนนะส่วนที่อยู่กับโลกเราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิอย่างที่สองคุณเป็นนั่นแหละแต่ถ้าจะทำํำนิพพานานั้นก็ต้องมีสติอีกชนิดหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไวนะ้แล้วสมาธิก็มีสองอันนะสมาธิอันหนึ่งเนี้ยคิดไ like, หลไปจดจอ่อ สมาธิอี่ชนิดหนึง่งจิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเหมือนอย่างคนดูฟุตบอลน่ะนั่งอยู่บนอัธจันทร์เห็นนักฟุตบอลวิ่งอยู่ข้างล่างจิตที่มีสมาสมาธิมนจะตั้งมั่นเหมือนคนดูฟุตบอลเห็นกีเลสวิ่งไปวิ่งมาอยู่ห่างๆเข้าวัา <c oughs> นไใช้ได้นะดีละมาข้างหน้าข้างหน้าเฉพาะหลังข้องขาใ้การรู้อย่างเดียวมันยากมากเลยนะใช่เพราะเราเคยชินที่จะปรุงเนื้อ เรารู้อย่างเดียวไม่ได้พอใจเราชอบปรุงเพราะงั้นให้เรารู้ทันว่าใจเราปรุงไม่ต้องพยายามจะรู้อย่างเดียวใจเราปรุงแต่งให้รู้ทันว่ามันปรุงแต่งอย่าไปบังคับให้มันรู้อย่างเดียวนะเราบังคับไม่ได้มันเป็นอนัตตาคือในขณะที่เรารู้ว่าเราโกรธคนเนี่ยเรารู้เราโกรธเรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็รู้กค่อยากจะไปทําร้ายเขาแนี่เราก็รู้อยู่าล้อ่าใช่เราก็รู้อย่างเดียว น่ารู้ไปได้ดูซิอีนางนี่มันจะบ้าแค่ไหนดูอย่างนี้ไปได้แต่เก็รอจนกระทัางมันดับไปเองไม่ต้องรอให้มันดับนะตามดูไปมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วรู้สึกไหมมันไม่ได้คงที่เนี่ยอย่างดีกรีของความเกลยดก็ไม่คงที่ดูออกไหมแล้วละครที่หลวงพ่อบอกว่าดูจิตเนี่ยแพทย์ในความคิดว่าคือความรู้ดูรู้ความรู้สึกของเราใช่ไหมครับกันเบื้องต้นนะให้รู้ความรู้สึกไปก็พอละเราดูไม่ถึงจิตที่แท้จริงหรอก ถ้าเราจงใจจะไปดูจิตเนะียจะกลายเป็นการเพ่งจิตงั้นเบื้องต้นนะรู้ความรู้สึกไปได้ใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันหลงไปก็รู้นะรู้อย่างนี้ได้เดี๋ยวมันเป็นเองอะ่ะขอบคุณค่ะยังไม่หมดเลยลายหรือเนี่ยคุณพ่อครับเวลาที่ทาในรูปแบบวะนะคะ แล้วสมมติเรารู้ลงาหายใจเนี่ยแล้วพอเรารู้หรว่าเราไปเพ่งแล้วอึดอัดเนไปรู้ทั้งตัวเลยกับแค่อึดอัดอย่างงี้อันไหนไม่อึดอัดก็เาันนั้นแหละเอาอันนั้นเราทําให้หลวงพ่อดูได้ไหมรู้ทั้งตัวรู้ทั้งตัวหรือว่าเพ่งทั้งตัวพ่วครับเออว่างเ อ, อเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนไปปฏิบัติธรรมที่พิษณุโลก ค, ครับเขาจะให้เน้นดูสติสามวันแล้วก็ ให้ดูกายเจ็ดวันที่ในทางลังเขาจะเน้นกายครับแต่หลวงพ่อป๋อให้ฝึกทางรู้รู้จิตต่างกันเลยคจริงๆนะรู้อะไรก็ได้ขอให้มีสติก็แล้วกันนะครับเราจะรู้หลายๆอย่างได้ไหครับได้เพราะในความเป็นจริงไม่มีใครรู้อย่างเดียวและในความเป็นจริงนะเลือกไม่ได้หรอกว่าจะรู้กายหรือรู้จิตถ้ารู้จักสติที่แท้จริงแล้วจะรู้เลยว่าสติมันระลึกรู้กายมันก็ระลึกเอง แต่ิราลึกรู้จิตก็ระลึกเองจงใจระลึกไม่ได้หรอกถ้าจงใจระลึกนะยังไม่ใช่ของจริงหรอกถ้าอย่างตอนนี้กําลังหายใจอยู่ก็อันนี้คือการเพ่งลมหายใจเียไม่ใช่การรู้มันเป็นการเพ่งเียหายใจแล้วก็จิตเราไปจ้องไหมรู้สึกไหมเหมือนกับใจเราไหลลงไปจ้องอนั่นคือสมถะนะเป็นสมถะกรรมฐานเราจะรู้ ถ้าเรียกว่ามีสติอยู่กับลมหายใจนี่จะหลวงพ่อไม่ค่อยได้ยินพูดดังๆเลยถ้าแบบว่ามีสติอยู่กับลมหายใจนี่จะรู้แบบยังไงอ่ะครับเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มันหายใจอยู่ใจเป็นคนดูใจมีจะเป็นแค่คนดูเห็นร่างกายนี้หายใจก็คือรู้สึกว่ามีลมหายใจเข้าออกอรู้สึกว่าร่างกายนี้มันหายใจยไม่ใช่เราหายใจจะรู้สึกอย่างนี้นะถ้ารู้สึกว่ามีลมอยู่นี่เป็นสมถะนะ งงนะเดี๋ยวไปฟังซีดีของพ่อเพิ่มคนไหนเคยเรียนกรรมฐานมาแล้วจะเรียนยากนิดหนึ่งーーーของเก่ามาตีกับในนามของท่านผูน้ว่าการจังหวัดแล้วก็เป็นรุ่นน้องของท่านนะฮะที Init. ่คณะด้วยหลวงพ่อเรียกว่ารุ่นที่รุ่นยี่สิบเจ็ดก็ต้องขอจับขอบพระคุณท่านเปอย่างมากที่ ได้กุณาเสสละมาให้ความรู้กับเ อ, อผู้ที่เข้ามาร่วมรับฟังในวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ให้ในวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่ เ, เป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่สลับซับซ้อนอะไรมากนะสามารถนําปฏิบัติได้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันผมเองก็ฟังธรรมะมาเยอะนะครับก็ได้ยิน เขาเก่าฝันถึงชื่อท่านมาพอสมควรแนะเพื่อจะมาพบแล้วก็ได้ฟังธรรมะจากท่านเองในวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นจริงอย่างที่เขาล่ำเลึยงกันว่าท่านสอนในสิ่งที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วก็เป็นแก่นของธรรมะที่พราพระพเจ้าได้สังสอนไว้นะครับก็คิดว่าพวกเราที่ร่วมฟังในวันนี้คงจะได้น้อมนําคำสั่งสอนของท่านไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ในชี่อประจำวันตลอดไปครับมีปวดน้ำด้วยตั้งใจนะไหนๆก็ฟังทมแล้วตั้งใจให้สงบอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ทั้งหลายนะยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาขารังเอวเมวัยโตทินังเกตานังอุปกระปติ อิชตังปติตังตุมังคิปะเมวาสมิเชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยัถามณิโชติระโสยัตถะสัพพิีโยวิวัตชันโตสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีตีขายุโกภวะอภิวาฒนาศีริสเนจังุทธาปัจจายิโนจัตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขัง ฝลาง